ถ้าใครมาที่สาราลุงชินนี้น า, นานๆหลายๆปีจะเห็นว่าครูบาอาจารย์เนี่ยเปลี่ยนรุ่นไปเยอะแล้วรุ่นแรกๆสิ้นไปเป็นลำดับลาดับแต่ก่อนหลวงพ่อพุทธก็ามาหลวงพ่อพุทธหลวงปู่เหรียนเลหลวงปู่จันโสมหลวงปู่จันแรมหลวงพ่อพวงหมดหลวงพ่อทูล อันนี้ครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่มีหลวงปู่ท่อนอยังอยู่พวกเราจะหวังพึ่งครูบาอาจารย์นะหวังไม่ได้นะแล้วครูบาอาจารย์ก็มีธาตุมีขันถึงวันหนึ่งก็เสื่อมสลายหมดเรี้ยงหมดแรงครับตายไปตามธรรมชาติสิ่งที่เราจะเอาเป็นที่พึ่งได้เนี่ยไม่ใช่ตัวคนหรอกเราต้องเอาธรรมะเป็นที่พึ่ง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 พระธรรมก็ไม่รู้จะพึ่งได้ยังไงอยู่ในตู้พระสงฆ์ก็ไม่รู้จะไปพึ่งองค์ไหนนะตอนเด็กๆ เ, เ, เรียนหนังสืออยู่ในวัดตอนกลางวันนะเข้าไปในโบสถ์ไปนั่งสมาธิี่ยเด็กประถมก็นั่งสมาธินะตอนเด็กๆแต่บางวันก็สนบางวันก็ไปเล่นบางวันก็ไปนั่งสมาธิอยู่ในโบสถ์อยู่หุบเงียบๆดูนะพระประทานท่านก็ก้าวเก่า เขปั้นด้วยปูนเคยเดินเข้าไปจับเขาท่านปูนติดนิ้วออมานเลยโอ้พระพุทธเจ้าก็ตายแล้วเด็กเด็กค <c oughs> ิดอย่างนันนะนะแล้วเราไม่มีที่พึ่งพระธรรมก็ไม่รู้จะพึ่งยังไงอยู่ในตู้ธรรมะก็มีเยอะแยะเลยเนตใจที่มันไม่มีที่พึ่งนะเงินรู้สึกว้าเว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 เป็นธาตุรู้เป็นธรรมธาตุเป็นธาตุรู้พระพุทธก็ทธรรมประสงค์ไม่เคยหายไปไหนถ้าเราเข้าถึงธรรมธาตุเราก็จะเห็นไม่ว้าวเวแต่การปฏิบัติมันก็มีเป็นขั้นเป็นตอนไปก็ค่อยๆฝึกไปนี่ครูบาอาจารย์ท่านบอกมานะมาเล่าให้ฟังต่อหลวงพ่ อ, อ จ, จะมีจังหวะดีกว่าพวกเราหลายคน ได้พบครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่แล้วนะท่านเมตตาเข้าไปหาท่านไปด้วยใจอ่อนน้อมอยากได้ธรรมะเข้าไปหาท่านมีอะไรท่านก็เล่าให้ฟังบ้างบอกให้ฟังบางอย่างก็แปลกๆจำจำมาหลวพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์าเป็นอันเดียวกันนะไม่ตายด้วยไม่ตายแล้วเราก็ลองมาภาวนาดู ว่าจะจริงหรือไม่จริงอย่างที่ท่านว่าภาวนาให้ใจเราเข้าเป็นอันเดียวกับธรรมะให้ไดนะ้ใจของเราตอนนี้ไม่เป็นอันเดียวกับธรรมะหรอกใจของเราเป็นอันเดียวกับอาธรรมเราดูที่ใจเราสิเฟลอแม่ไหลกีเลรเราไปกินทุกทีเลยนะพื้นเดิมของมันนะชั่วนะพื้นเดิมของใจของเราเองเนี่ยไม่ใช่วิเศษวิโสอะไรหรอกนั่นใจของเราโดยธรรมชาตินะมันใส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 ค่อยๆชำระล้างกิเลสออกจากใจให้ได้บางคนเรียนธรรมะมักง่ายไปนะไปได้ยินบอกจิตมันเป็นประทัด ส, สอนจิตมันประทัด ส, สอนมันฝ่องใสเหมือนน้ําที่ใสอะน้ําที่ใสไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสนะนะแต่ว่าพอมีกิเลสจอนมาแล้วก็กลายเป็นน้ําขุ่นไปเป็นน้ําเน่าน้ําเหม็นอนะไรอย่างนี้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 มันละเอียดจนเรามองไม่เห็นเราก็เลยว่ามันสว่างดีงั้นพระพุทธเจ้าถึงสอนลอยจิตนั้นเดิมมันประพัดสอนมันผ่องใสมันสว่างแต่เศร้าหมองเพราะกิเลสที่จอนมาเป็นคลาวคลาลอันนี้หมายถึงอาการที่น้ํามันเน่าให้ดูแล้วตอนที่น้ํามันยังไม่เน่าให้ดูนะเหมือนจิตโดยทั่วๆไปจิตพื้นๆนี่มันสว่างสว่างมันใสแต่โสภะกลกมีกิเลสซ่อนอยู่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 แตจิตเดิมของเราแต่ละคนเราพัด ส, สอนนะพอกิเลสหยาบหยามาจิตก็คุณก็มัวนะไม่แจ่มใสทําไมจิตยังขุนยังมัวไม่แจ่มใสได้มันมีเชื้อโรคอยู่แล้วนะพอได้อาหารเข้าไปเชื้อโรคมากขึ้นมากขึ้น น, น้ําเน่าให้ดูไดนะ้ถ้ามันไม่มีสิ่งโชปลกซ่อนเร้นอยู่เลยนะมันก็ไม่เน่าขึ้นม า, าไม่มีโอกาสเน่าขึ้นมาได้เงี้ยเราต้องมาชําระล้างนะใจของเราให้เข้าถึงความบริสุทธิ์ให้ได้ เครื่องมือในการที่จะชําระล้างใจของเราให้ถึงความบริสุทธิ์เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนแล้วก่อนที่ใจจะบริสุทธิ์เนี่ยกายวาจาต้องดีก่อนกายวาจาดีด้วยการรักษาศีลเนี่ยหลังๆสังเกตไหมหลวงพ่อพูดเรื่องศีลเยอะขึ้นครูบาอาจารย์ท่านฝากมานะเราไปเยี่ยมท่านไปอะไรเนี่ยท่านบอกว่าคนเดี๋ยวนี้ไม่มีศีลไม่มีธรรมนะ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 เสียเวลาเสียเวลาด้วยกันทั้งสองฝนะ่ายตั้งใจเอาเองว่าตื่นนอนขึ้นมาเราจะไม่ทําผิดศีลห้าวันนี้นะตอนกลางวันก่อนจะกินข้าวกนะนะ็ตั้งใจแล้วว่าจะไม่ทําผิดศีลห้าตอนเย็นตอนค่ำจะนอนตั้งใจเองเราจะไม่ทําผิดศีลหา้าตั้งใจของเราอย่างนี้เรื่อยๆคล้ายๆโปรแกรมตัวเองไว้บอกตัวเองเตือนตัวเองทุกวันทุกวันนะเราจะไม่ทําผิดศีลหา้าเตือนบ่อยๆเวลา ห, หลายๆรอบ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 มีกุศลมีอกุศลเกิดขึ้นในใจอกุศลอยู่ๆเกิดขึ้นลอยๆไหมไม่เกิดเนะจะแฝงมากับเวทนาแฝงกับความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์นะไม่เกิดเดี่ยวๆเราเกิดด้วยกันอย่างทุกเขเวทนาทางใจถ้าชื่อเฉพาะสับเฉพาะแท้ๆทางวิชาการเขาจะไม่เรียกว่าทุกเขเวทนาทางใจเขาเรียกว่าโทมนัสเวทนาโทมนัสเวทนาหมายถึงทุกทางใจ ถ้าทุกขเวทนาหมายถึงทุกทางกายนะแต่เราเรียกรวมๆว่าทุกขเวทนาเวลาที่โทมนัสเวทนาเกิดเนี่ยโทสะแทรกเสมอเลยเนี่ยโทสามจะแทรกเวลาสมมนัสเกิดขึ้นนะกุศลเกิดขึ้นด้วยก็ได้โลภะแทรกเข้ามาก็ได้มีสองอย่างนะไม่เหมือนกันเ น, นี่ยเราคอยรู้ทันไปอะไรเกิดขึ้นในจิตในใจเราคอยรู้คอยรู้ไป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 กิเลสใดๆเกิดขึ้นนะดับทันทีเลยถ้าสติระลึกได้เมื่อไหร่สติเกิดขึ้นระดับกิเลสไปแล้วเนี่ยศีลจะเกิดอัตโนมัติเลยนะคนทําผิดศีลได้ก็เพราะว่ากิเลสมันครอบงำจิตนี่ยเราคอยรู้ทันนะเมื่ขับรถอยู่คนเขาปาดหน้ามันโกรธขึ้นมานขยับปากจะด่าเขาแล้วสติระลึกรู้เห็นจิตที่กโกรธขึ้นมาความโกรธ ด, ดับไปด่าไหมไม่แน่จิตมันสั่ง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 ถ้ากิเลสดับเนี่ยศีลมันเกิดเองคนทําผิดศีลได้เพราะกิเลสมันคล่อมงามจิตหนึ่งไปฆ่าเขาไปตีเขาไปด่าเขาเนี่ยไปทําร้ายเขาให้ร้ายเขาอะไรเงี้ยเพราะโทสะมันแทรกถ้าไม่มีโทสะก็มไม่ทําอย่างนั้นหรอกไปขโมยเขาไปเป็ดชู้เขาอะไรเนี่ยนะไปพูดจาล่อลวงเขาอะไรเนี่ยเพราะโลภะมันแทรกนะงั้นถ้าเรามีสติจริงๆนะรักษาจิตไปด้วยศีลเราจะงดงามขึ้น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 แทนที่จะให้มันกระโดดลดเต้นไปเรื่อยให้มันมาอยู่ในอารมณ์มันเดียวที่มันมีความสุขอยู่กับพุโทโธคนไหนอยู่กับพุโทโธมีความสุขก็ม า, มมามมอยู่กับพุโทโธคนไหนอยู่กับลมหายใจมีความสุขก็มาอยู่กับลมหายใจคนไหนอยู่กับท้องฟองยุบแล้วมีความสุขก็ไม่มมอยู่กับท้องฟองยุบนะอะไรก็ได้คนไหนถนัดทำแบบหลวงพ่อเทียนขยับมือทาจังหวะถ้าทำแล้วมีความสุขไม่เครียดนะก็ใช้ได้เหมือนกันหมดเลยใช้หลักเดียวกัน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 อยู่กับอารมณ์ชนิดไหนแล้วมีความสุขก็อยู่กับอารมณ์อย่างนั้นแหละดีที่สุดแล้วดีสําหรับตัวเองไม่มีกรรมฐานที่ดีที่สุดมีแต่กรรมฐานที่ดีเฉพาะคนดีสําหรับเรานะเพราะงั้นเราไปเห็นคนอื่นทาํากรรมฐานต่างกับเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาทําผิดนะเขาก็อาจจะดีของเขาก็ได้เราก็ดียของเรานะแล้วเราก็ดูเลือกดูใครอยู่กับอารมณ์อะไรแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับอารมณ์นั้นบ่อยๆนะหรือสวดมนต นะทำอะไรก็ไม่เป็นทำสมาธิอะไรไม่เป็นส่วนมนต์แล้วมีความสุขสวดไปเรื่อยๆใจไม่ฟุ้งซ่านได้สมาธิขึ้นมาจิตใจเรียบร้อยจิตใจเรียบร้อยนี่ได้สมาธิแล้วแต่สมาธิให้จิตใจเรียบร้อยแ ล, Multi แล้วสบายแล้วสงบอยู่เฉยๆเท่านี้ไม่พอนะมันเป็นสมาธิพื้นฐานเบื้องต้นเท่านาั้นเองสมาธินั้นมีสองระดับมีสองชนิดสมาธิชนิดที่หนึ่งเนี่ยจิตสงบอยู่ในอารมณ์ันเดียว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 ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นไม่ต้องรักษาไม่ต้องปฏิเสธรู้อย่างที่มันเป็นไปด้วยนี่ต้องฝึกให้ได้ตัวนี้ขึ้นมาแต่ว่าเบื้องต้นพวกเรายังทําไม่ได้เวลาที่สติระลึกรู้สภาวะนะจิตตั้งมั่นอยู่แป๊บๆเนี่ยจิตจะเกิดยินดียินไายขึ้นมามันจะไม่ตั้งมั่นละมันจะไม่เป็นกลางขึ้นมามันจะแกว่งเพราะความไม่เป็นกลางงั้นเบื้องต้นเนี่ยหัดยังไงนะมันก็มีความไม่เป็นกลางเกิดขึ้นเช่นมีความสุขเกิดขึ้นนะมันจะพอใจ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 จิตฉลาดเนี่ยจิตจะเข้าถึงความบริสุทธิ์เพราะพระพุทธเจ้าท่านสอนนะบอกว่าบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญานะตัวความฉลาดของจิตนี่แหละทำให้มันบริสุทธิ์จริงเหมือนมันโลภไปฆ่าวิชาตายความไม่รู้นะความโง่เขลาที่ซ่อนอยู่ในจิตคือตัววิชาคราวนี้น้ำที่ว่าใสา่น้ําที่ประพัดสอนนันะ่นแหละกลายเป็นน้ําบริสุทธิ์ขึ้นมาแนละ้จิตของเราก็จะเข้าถึงความบริสุทธิ์ได้จริงๆนะเมื่อล้างความเห็นผิดได้ด้วยปัญญา งั้นเราล้างความสรงขบลกนะด้วยศีลศีลจะทําให้กายวาจาเรียบร้อยรักษาศีลได้ดีโดยการมีสติรักษาจิตกิเลสเกิดเรารู้ทันนะเนี่ยรักษาจิตสมาธิทําให้จิตใจสงบเรียบร้อยนะนี่อันหนึง่งสมาธิที่ฝึกรู้ทันจิตที่ลงไปคิดจะทําให้จิตตั้งมั่นนี่อีกอันหนึง่งสมาธิอย่างแรกที่เอาไว้สงบนั้นเอาไว้พักผ่อนสมาธิที่จิตตั้งมั่นนั้นเอาไว้ทํางาน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 วันนี้ฟุง้งซ่านเราก็มาอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวไม่ต้องไปคิดเรื่องปัญญาแล้วฟุ้งซ่านขนาดนี้เจริญปัญญารู้กายรู้ใจไม่ได้แล้วนะก็มารู้ลมหายใจไปเรื่อยจิตเค้าอยู่กับลมนะอย่าไปบังคับให้สงบนะเคล็ดลับอยู่ตรงที่นีอย่าไปบังคับนี่แหละบางคนทําสมาธิไม่สําเร็จนะีไม่ยอมสงบเขาเที่ยวบังคับจิตถ้าบังคับจิตจิตจะยิ่งดือ้อจิตเหมือนแมวนะยิ่งห้ามยิ่งยุเลยที่กดมันลงไปมันยิ่งดันขึ้นมาดึงมันขึ้นมามันจะยุบตัวลงไปจิตนั้นมันเหมือนแมวจริง ค่อยๆรู้ไปรู้ไปสบายๆหายใจไปสบายๆถ้าใจมันสบายใจมันจะสงบเคล็ดลับอยู่ตรงสบายนี้แหละถัดไปก็รู้ทันจิตที่หลงไปคิดมันก็จะได้จิตตั้งมั่นพอ ไ, ได้จิตตั้งมั่นแล้วคอยรู้กายคอยรู้ใจอย่าตั้งแล้วก็ว่างๆอยู่เฉยๆไม่เดินปัญญาอย่าให้จิตไปติดในความนิ่งความว่างความสว่างไปอยู่ตรงนั้นเฉยๆไม่มีปัญญาหรอก เราจะพ้นทุกข์ได้จริงๆถึงความบริสุทธิ์ได้จริงๆด้วยปัญญานี้แหละแต่ปัญญาลอยๆไม่มีนะอาศัยศีลอาศัยสมาธิเป็นพื้นฐานส่งทอดกันมา้นะพวกเราฝึกให้ได้นะชีวิตเราจะมีความสุขมันจะดีขึ้นดีขึ้นหนอกนะเท่านี้ก็พอแล้วละต่เดือนหน้าเดือนหน้ามันเข้าหน้าร้อนลนะเดือนหน้าหลวงพ่อจะมาเทศสักดโมงครึง่งาบอกยังสนะงสารว่าพอสายมากมันร้อน ร้อนจัดงั้นเริ่มสักแปดโมงครึง่งเาจีโมงเสร็จแดโมงครึง่งก้าโมงสิบโมงก็เสร็จนะนย่งไม่ร้อนจัดใครมีอะไรจะคุยเชิญนรมาส ก, การหลว ง, งพ่อคะ่ะก็ครั้งแรกที่ส่งการบ้านคะ่ะเขาตื่นเต้นก็คือว่าปฏิบัติมาช่วงก่อนหน้านี้ก็คือแบบไป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 เนี่ยดูไปแต่อย่าไปประคองให้ห่างนะถ้าจงใจประคองให้ห่างเนี่ยผิดแล้วประคองเปล่าละ่ะประคองให้ห่างไหมบางครั้งค่ะไม่ทํานะตัวนั้นตัวนั้นผิดอ๋อค่ะอันนี้ก็อันนี้ถูกแล้วใช่ไหมคะออถูกถูกผิดผิดอะตอนไม่ประคองก็ถูกนะตอนประคองก็ผิดแหละภาวนาพวกเราอย่า ก, กลัวผิดนะยังไงก็ผิดเชื่อสิยังไงก็ผิด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 ก็ถ้ายอมรับความจริงไม่ได้ก็ทุกแหล่ะเพราะอะไรเพราะความจริงชีวิตนี้เป็นทุกนะถ้าเรายอมรับไม่ได้เราทุกซ้าซ้อนครับก็รู้สึกว่าทุกคือพิจารณาไปแล้วมันมีแต่ทุกครับคือความสุขมันหายากเหมือนจะทําภาวนา ย, ยังไม่สุดขีดนะ่ะถ้าภาวนาดีกว่าเนี้ยจะรู้ว่าความสุขหาไม่ได้ครับมันถ้าจะ ถ้าอยากสุข ก, ก็นึกๆเอาอะครับก็ <c oughs> <c oughs> เหมือนทํากิจกรรมอะไรก็ก็ทุกเหมือนเหมือนมีมนทุกเมื่อวานก็มีคนไปส่งงานบ้านที่วัดผู้หญิงนะบอกเดี๋ยวนี้เห็นกระทั่งว่าสุข ก, ก็เป็นทุกมันทุกหมดเลยรู้สึกในสามโลกธาตุนี่นะไม่มีที่เหยียบแล้วทุกล้วนๆเลยโอ้้าภาวนาได้อย่างนี้นะ่ะเข้าท่าละ <c oughs> นี่ก็เข้าท่านะเห็นสุขหายากละ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 วางตรงนี้ไปตรงนี้อย่างนี้มันลืมหมด่ะก็มีอะไรติชมแนะนำไหมครับก็ภาวนาก็ดีแล้วล่ะนะไปดูไปโลกมีแต่ทุกนะมีแต่ทุกมากกับทุกน้อยคนที่ปัญญาไม่ถึงก็เห็นว่าไอ้ทุกน้อยน้อยนันเป็นความสุขไปไม่ประคองจิตให้นิ่งนะไม่บังคับจิตปล่อยให้จิตทำงานไป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 ผมก็เลยดูให้ชัดขึ้นออแล้วมันก็ค่อยๆหายไปแ ต, แต่แต่มือเท้าเราเก็บนะเก็บๆ<า>ไห <ป S 2> เ, เก็บนั่นเรามีศีลไว้ก่อนนึกๆในใจอะในใจไม่เป็นไรในใจเราก็มีแต่บาปทางใจพ่อพอมันหายไปแล้วจะกลับมาโกรธอีกมันก็ไม่ไม่ไมไมโกรธนะโกรธมันไร้สาระมันรู้เลยเวลาโกรธเหมือนคนบ้านะรู้สึกไหมครับเป็นบ้าก็เมื่อคืนครับ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 ไปนอนแล้วก็เห็นตัวเองมีความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าร่างกายเรานอนอยู่แล้วเราก็เห็นใจเราที่ซ่อนอยู่ในร่างกายเรา<อ>แล้วเราก็เห็นระดับของความอยากหลับ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 แต่ถ้าใจเราลุ้นเมื่อไหร่จะหลับเมื่อไหร่จะหลับใจยังไม่เป็นไม่ได้คิดว่าเมื่อไหร่จะหลับแต่เห็นแค่ระดับความอยากอยากหลับเฉยเฉยถ้ารู้ด้วยความเป็นกลางนั่นแหละเดินปัญญาอยู่ละอันนั้นเรียกว่าเดินปัญญาใช่ไหมใช่แต่ติดตั้งมั่นเป็นกลางนะ เราอย่างเช่นบางครั้งที่เรารู้สึกว่าใจเราสว่างเราเราสว่างอยู่แล้วเราก็เห็นระรอกของความคิดที่ผ่านเข้ามาเป็นระรอกระรอกแล้วตัวเราเองเราดูอยู่เราเห็นระรอกนั้นแล้วมันก็ผ่านไปแล้วเดี๋ยวก็จะมีระรอกใหม่เข้ามาอันนั้นเนี่ยเป็นไปอ่านดเป็นบุราษไม่ไม่ไม่ใช่สมาธิใช่ไหมคะอันนี้คือไม่ใช่นะมันเดินปัญญาอยู่สมาธิจิตวจับความสว่างนิ่งเฉยไปเลยค่ะการนั้นก็คืออันนี้มันเป็นการเดินปัญญาในสมาธิอีกจริง อันนี้ถูกต้องหรื อ, อยังคะถูกนะแต่ใจต้องเป็นกลางแล้วเป็นกลางหมายความว่าเราเห็นตัวเองเราะระลึกตัวเองได้ตลอดแล้วเราเห็นใจเราได้ตลอดใช่ไหมคะไม่ใช่ใจยินดีให้รู้ทันใจยินร้ายให้รู้ทันอย่างไม่งั้นโทรสาทแทกน ะ, ะโทรสา์มันจะแทรกมีความหงุนหงิดลึกๆซ่อนอยู่ไม่ได้เป็นกลางจริงหรอกคือจะต้องรู้ถึ ง, ถงอารมณ์รู้ถึงความรู้สึก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 เราควรจะดูเหองเายเห็นร่างกาย as a ซ h o l e เลยใช่ไหมคะไม่ต้องโฟกัสไปที่จุดใดจุดหนึ่งหรอกถ้าโฟกัสไปที่ใดที่หนึ่งมักยวไปเพ่งล้วเพ่งกลายเป็นสมถ t h ค่ะให้เห็นเห็นทั้งตัวแล้วก็รู้แค่นั้นเองรู้สบายๆขอบพระคุณค่ะมาสักการณ์ครับหลวงพ่อถือศิลห้ามานเจปีครับ แล้วก็ผมไรหารสี่ประมาณปีหนึ่งครับก็คงถือตลอดนะหลวงพ่อก็คงถือสินห้าไปตลอดชีวิตนะครับโอ้สตาร์ทเลยเสร็จแล้วก็ก็ได้ฟังเสียดีของหลวงพ่อประมาณสามสี่เดือนนะครับก็คิดว่าเข้าใจไม่รู้จะถามอะไระครับผมไม่ทราบว่าผมทาทอจะก็คอยรู้ทันใจของเราไปนะครับใจเรามัวบ้างสว่างบ้างดีบ้างร้ายบ้างนะดูไปด้วยดูเหมือนดูคนอื่นะ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 ร่างกายหายใจเข้าแล้วก็รู้สึกออว่าร่างกายหายใจออกนะครับ เ, ออเสร็จแล้วไม่นานแล้วก็หลับไปครับ เ, ออเสร็จแล้ววันรุ่งขึ้นปรากฏว่าผู้รู้ก็เด่นขึ้นมาทั้งวันหอลวงพ่อครับดเด่นประมาวันวันหนึ่งก็ เ, ออเห็นร่างกายขึ้นไหวแต่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยสนใจอะไรเลยครับคือมันคือเห็นร่างกายทํางานอะไรเข้ามากระทบก็คือจิตมันก็ทิ้งไปเลยครับมันก็เห็นอะไรมาแล้วก็ไปมาแล้วก็แต่ว่าตัวนี้ต้องแอคทีฟหน่อยนะแอคทีฟครับหลวงู้รู้ไม่ใช่ตัวผู้รู้เฉยเฉยนะครับใช่ฮะอย่างนี้ไม่ได้นะครับ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 นะู้ทันไปนะนขนาดนี้หน่วงจิตไว้เปล่าอืมกดตื่นเต้ น, นครับกดไว้นิดหนึ่งครับแคนะ่รู้ทันไปได้แล้วขอฝากถามถามึงคุณพ่อผมข้อหนึ่งครับข้อผมทําุพ่าผมเรียนอิธรรมมาครับแล้วก็ทำให้ปัตสนามาก็ประมาณสามสิบปีครับแต่เหมือนจะติดติดเพ่งนะครับเหมือนจะเป็นสมถะผมก็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 เห็นไหมความสุขความทุกข์ก็ห่างออกไปเห็นกิเลสห่างออกไปเห็นไหมต่อไปฝึกไปเรื่อยนะขันทั้งหลายมันจะพลากออกไปมันจะแยกออกไปจากจิตไม่กระทบกันหรอกขันยังไงก็ทุกข์ทุกอย่างของขันนั่นแหละแต่ไม่กระทบเข้ามาถึงจิตต่อไปนะมันพลากออกไปจากกันแยกออกไปจากกันนะเราฝึกไปดูออกไหมที่มันแยกเราควรจะเห็นตรงที่มันแยกด้วยไหมครับตรงรูไ ม, ไ ม, ไม่จงใจนะ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 จับอะไรนิดๆหน่อยๆก็เดี๋ยวก็ราคาญเรียนกรรมฐานนะเบื้องต้นเนี่ยอย่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานเอาให้เด็ดเดียวไว้ซะอันหนึ่งเปลี่ยนไปเรื่อยๆจะยิ่งสับสนหนักกว่าเก่าอีกนทนทนเอาสิน ะ, ะจะเอาอะไรก็เอาสัอย่างแต่อย่าให้เครียดคถ้าวันไหนเครียดให้หยุดทําหยุดเลยทําผิดแล้วล่ะถ้าเครียดเพราะว่าคืออย่างบางทีทําอย่างเดียวกันเนี่ยบางวันก็เครียดบางวันก็ไม่เครียด ทำเนี่ยถ้าตรงที่เครียดเนี่ยเพราะว่าอยากทำถ้าทำเล่นๆไม่เครียดหรอก <kah. S 2> ลองหัดทำเล่นๆดูแต่ทำด้วยความหวังผลหวังว่าจะดีอย่างโน้นหวังว่าจะได้อันนี้อันนี้เครียดแน่นอนนะ <kah. S 2> มันทำด้วยใจที่โลภนะแต่ถ้าทำไปด้วยใจสบายถึงเวลาก็พุทธโธไปถึงเวลาก็หายใจไปเลยไม่เครียดหรอก <kah. S 2> นะคราวนี้อย่างการทำในรูปแบบเนี่ยมีความสงสัยว่า G ถ, าาถ้าหากวันไหนเราเดินจงกรมหรือว่านั่งสมาธิไม่ได้เนี่ยเราสวดมนต์อย่างเดียวเนี่ยถือว่าทําในรูปแบบไหมคะทำอยู่เนา ะ, ะสวดมนต์ไปเรื่อยๆก็ได้แล้วถ้าเกิดเราไม่เอาอย่างอื่นเลยเราสวดมนต์ไปเรื่อยๆเป็นการทําในรูปแบบได้เหมือนกันได้ ม, มีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะัท่านสอนสวดมนต์นั่นแหละท่านสวดสั้นนิดเดียวท่านสวดคาว่าพุโทโธค่ะานสวดทั้งวันทั้งคืนเลยนะอยู่กับพุโทโธตลอดเลยแล้วจิตหนีไป ถ้าจิตฟุ้งซ่านท่านก็พุโทโธให้สงบถ้าจิตสงบแล้วท่านพุโทโธให้จิตมันตื่นเป็นผู้รู้พูทตื่นจิตไหลไปคิดรู้ทันพุโทโธแล้วหนี่วิคิดรู้ทันจิตก็ตื่นถ้าจิตตื่นแล้วเ น, นี้ยมาดูกายดูใจดูธาตุดูขันมันทํางานคนะเอาสักอันหนึ่งนะอย่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่ดีนะขอบพระคุณค่ะน่าจะสับสนหลวงพ้มอมี้ว่ามีอะไรที่ควรจะแก้ไขหรือว่าอย่าให้เครียดถ้าเครียดเราหยุดทันทีเลยนะ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 คอยดูร่างกายเห็นร่างกายเนี่ยเป็นก้อนทุกข์เลยไม่สวย<า>ไม่งามเป็นก้อนทุกข์ดูยิ้มบ่อยๆจะได้แรงมากขึ้นค่ะแล้วบางทีบางทีหนูตามกิเลสไม่ทันอะไรเงี้ยแล้วก็เกิดกิเลสไปชั่วขณะหนึ่งมันรู้หลังจากที่ตามใจกิเลสไปแล้วมันก็สิกหนักๆอันเนี้ยไม่รู้มันคืออะไรเปนบากานะเป็นผลเราสนองกิเลสไปแล้วนะก็เกิดบิบากต้องทุกข์ไปช่วงหนึ่ง<า>รับผลของกรรม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 มันกลัวนักหนาเลยมันหวงนักหนาร่างกายเนี่ยดูเข้าไปตรงนี้เลยมันรักกายมากเลยเออนั่นแหละเพราะฉนั้นหนูดูแล้วมันคล้ายๆเป็นโรคนี้นะแต่เลี่ยงไปกินยาออย่างอดูกายให้หนักเลยค่ะือหนูแค่รู้สึกว่าเห็นจิตมันง่ายเห็นกายมันยากเลยเห็นกายไม่ใช่ยากแต่เห็นกายแล้วมันทนไม่ได้อมันทุกข์มันไม่ดีเท่าที่เรานึกเราหวงค่ะฉะนั้นถ้าหนูอยากคนทุกข์จริงๆนะหนูดูกายให้เยอะขึ้น จิตก็ไม่จริงหรอกนะกิเลสอะไรเกิดแล้วรู้ทนันนั้นถูกต้องแล้วแต่ดูกายเพิ่มขึ้นมันจะไปได้เร็วขึ้นค่ะขอบคุณค่ะค่ะนมัสการค่ะหลวงพ่อคืออยากจะถามหลวงพ่อว่าเวลาที่จิตเนี่ยมีเกิดความเข้าใจอะค่ะว่าตัวกายตัวจิตมันเป็นสิ่งบังคับไม่ได้มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน อ, อย่างี้ค่ะ สภาว่าตรงนี้เราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเราสิ่งที่เราเข้าใจมันเป็นมันยังคิดอยู่มันยังคิดนำอยู่นะค่ะถ้าถ้าถ้าเราเห็นจริงๆมันจะล้างกิเลสไปได้เยอะแยะเลยแต่ดูซ้ําดูซ้ำซ้ำไปเรื่อยนะเบื้องต้นทําอย่างที่หนูทํานั่นแหละยังไม่พอใช่ไหมคะยังไม่พอค่ะต้องทําอีกนะการนมัสการหลวงพ่อค่ ะ, ค ะ, คะ เป็นครั้งแรกที่สัมการบ้านหลวงพ่อครั้งแรก <ilk. S 1> ที่หลวงพ่อจะตอบเราหละก็ทราบถึงรดพิธามมาตั้งแต่เด็กว่ามีความสุขกับการอยู่วัดเป็นเด็กวัดมาเด็กตั้งแต่เด็กเลยแล้วเออดีมีบุญค่ะเต้นๆก็จะถามหลวงพ่อว่าปัจจุบันที่ปฏิบัติธรรมอยู่ใช่ไหมคะก็มีการทาทานศีลภาวนา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 ต้องตอบตรงๆว่ารู้ว่าผิดรู้ว่าผิดก็ทําอยู่แตร่รู้รู้โดยสติว่าผิดแต่ถ้าเราป้องกันไม่ได้เราก็ต้องทําอย่างมีสติรู้ว่าผิดอย่างมีสติแต่ว่าถูกเราก็รู้ว่าถูกอย่างมีสติเหมือนกันอาจจะถูกบ้างผิดบ้างก็ตั้งใจทําดีที่สุดผิดหรือถูกคะหลวงพ่ออะไรนะผิดหรือถูกคะคิดอย่างนี้ผิดหรือถูกคะคิดอย่างนั้วมันก็คิดได้อย่างนั้นแหละ มันก็ถูกของเราอีกแหละ ข, ขอบคุณค่ะหนูไป<ล>ดูไว้นะเรายึดตัวความคิดความเห็นของเราแรงนะก<า>ูดีกูเก่งกูฉลาดอะไรพวกนี้ดูให้เยอะเลยตัวเนี้ยไปดูบ่อยๆค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ข้อที่สามเนี่ยนึกว<ท>่าจบแล้ว <laughs> ขอถามหลวงพ่อเยอะหน่อยตื่นเต้นค่ะถ้าไม่ตื่นเต้นถามน้อยกว่านี้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 ไปรู้ทันคูเก่งอะรู้ตัวนี้ไว้คูเก่ง อ, อก็ยังสงสัยอยู่เดาต้องหาคาตอบต่อไปเดาหนูหาคําตอบต่อไปคูเก่งเธอะยังไม่รู้ไม่มันรู้สึกว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยถูกแล้วใช่ไหม <c oughs> ฉันถูกละฉันถูกละฉันถูกละมันจะรู้สึกอย่างนี้คะ่ะก็ทําให้ดีที่สุดเอานะหนูไปดูให้รู้ทันใจตัวเองไปคะ่ะลุงพ่อคะถามอีกข้อได้ไหมคะ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 ไม่เข้าใจใช่ไหมคะว่าหลักธรรมะเป็นยังไงรสพระธรรมเป็นไงรสชาติมันแซ่บมากเขาไม่รู้นี่แหละหนูไปรู้ทันตัวเองตรงนี้แหละเห็นไหมเราเอาใจของเรานี่แหละเป็นมาตรฐานตัดสินคนอื่นตลอดเลยถูกไหมตัวนี้แหละที่เป็นปัญหาของหนูกูกูถูกอ่ะก็่ใช่กูเก่งแล้วเปลี่ยนคานี้เป็นกูถูกอ่ะไปดูตัวนี้แหละการูนาดีแล้วแต่เราไม่เอาตัวเราไปตัดสินคนอื่นนะ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 ไอ้ที่ดีๆเราทํามาตั้งเยอะเราก็นึกบ่อยๆแม้เราจะทบทวนไปหาอดีตแล้วฉีดริงฟุ้งใหญ่แล้วตอนนี้ยังอยู่ในล่องในรออยู่ป่ะครับอยู่เหมือนกันแต่ <c oughs> ครับนมาศถามเท่านี้ครับผมฆราวาสนะจะถือศีลให้สะอาดหมดจดเนะี่ยในสนัมมนาพระไตรปิฎกบอกฆราวาสจะถือศีลให้สะอาดหมดจดเหมือนหอยสังนะที่ขัดไว้ดีแล้วทํายากนะ ชีวิตคารว่านเป็นชีวิตบนเปื้อนนะทำยากนี่เราต้องจับหลักให้ได้ถ้าเราพลาดผิดศีลไปแล้วนี่ตั้งใจไว้ว่าไม่ทําอีกแต่อย่าไปคิดซ้ําลงโทษตัวเองไม่เลิกด่าดตัวเองไม่เลิกประนามตัวเองไม่เลิกจิตจะเศร้าหมองนานทุกครั้งที่เราทําไม่ดีแล้วเราคิดซ้ํำจิตขึ้นวิถีของอกุศลใหม่เทนะ่ากับเราทำกรรมชั่วใหม่แลนะอย่าไปทํอย่าไปคิดมาคิดถึงที่ดีไหมนะให้จิตขึ้นวิถีที่ดีบ่อยๆ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 มันจะคิดขึ้นมาเลยเรื่องเครียดนะคะแล้วก็ปวดหัวแล้วตอนนี้ก็มึนหัวไม่หายเลยค่ะดูไปหัวของคนอื่นไม่ใช่หัวเราดูอย่างนี้เรื่อยๆนะค่ะแล้วก็ไม่ต้องทานยานะะหลวงพ่อฮะทานไม่ทันแล้วแต่โยอมนะหลวงพ่อไม่ได้มึนด้วยกลับขอบคุณหลวงพ่อจะยมดูไปค่ะหัวที่มันมึนนะมันเหมือนหัวคนอื่นนะอใจเราเป็นคนดูเท่านั้นแหละ แล้วหลวงพ่อคิดว่าแตอยากให้มันหายถ้าอยากให้มันหายมันกลายเป็นหัวของเราขึ้นมาและแล้วปฏิบัติวิธีไหนที่เหมาะสมที่สุดว่านี่แกดูอย่างที่หลวงพ่อบอกดูร่างกายนี่เหมือนดูคนอื่นไปถ้าเราชํานาญพอเราอย่างเราอายุเยอะหน่อยเงี้ยเราดูร่างกายเหมือนดูคนอื่นไปเรค่อยเวลาเขาจะเจ็บเขาจะตายอะไรนะดูเหมือนคนอื่นตายเราเป็นคนดูเราไม่ตายกับเขามันหรอกขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะ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 ครับผมครับแล้วเวลาผมผมมีแบบมี ม, มีเคยมีแบบตื่นมาแบบประมาณชาเช้ามืดอย่างเงี้ยครับตื่นมาคือตอนที่ตื่นมาแบบตกใจครับเห็นแบบร่างกายเองมันนอนอยู่นะครั hmm. แต่คือพอตกพอตกใจปุ๊บคือมันก็มันก็กลับมาเป็นปกติคือแบบคันนี้ก็นอนไม่หลับต่อ hmm. คือพอพอเริ่มรู้สึกว่าไอ้ตัวที่เห็นว่าร่างกายมันนอนเมื่อกี้เนะี่ยคือไม่ใช่เราคันนี้มันมีกลังใจที่จะจะตื่นขึ้นมาปฏิบัติก็เลยออกมาเดินจงกมง hmm. งรมอเงี้ยหลวงพ่อพอเดินไปได้สักฟากหนึ่ ง, งแลบบ้วคิดว่าเออเราเริ่มมีความสุขเรื่อง ส่วว่าร่างกายมันแบบเออจิตใจมันเบามันโปร่งโล่งเบาอย่างนี้นถูกไหมครับหลวงพ่ อ, อถูกสิครับที่ผ่านมาเป็นไงบ้างครับหลวงพ่อให้เป็นไงต้องรู้ด้วยตนเองเป็น<ด>วินยูชนป่าครับผมเป็นวินยูชนไหมวินยูชนต้องรู้เองบางครั้งบางครั้งมีควารู้สึกว่าเออกูเก่งอะไรอย่างนี้มีแบบว่าเออกูเก่ง น, <า> น, นะอนะไรอย่างี้นั่นแหละดีครับวิหารธรรมของของของผมนี่คือคือคือต้องต้องยังไงตอไปคือต้องดูแบบที่ดูได้ถูกไหม ทำความสงบบ้างนะทำความสงบเป็นช่วงๆไปได้ใจได้พักบ้างจะไม่นเหนื่อเหนื่อ ย, ย, ยกันไปหรือเปล่าครับแั้นเดี๋ยมันฟุ้งไปครับผมขอบพระคุณคุณหลวงพ่อครับกรรมธรรมมสการหลวงพ่อครับจะขอกลับเรียนถามเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติแล้วก็ความเข้าใจที่เกี่ยวกับการปฏิบัตินะครับว่าถูกต้องหรือเปล่าผมเริ่มปฏิบัติ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 ปรากฏว่าแกเป็นมะเร็งแล้วให้เคมีโมออะไรเงี้ยแกก็เล่าตลกเรียผมแกร่วงตอนที่ไปอาบน้ําไปสระผมนะผมร่วงถนอมมากเลยกลัวมันร่วงเยอะในส่วนก็มันรักกายมากหลือเกินสามันปกติเลยร่วงหมดหัวเลยเฮ้ยเสร็จแล้วก็ไม่สบายมากะปวดเจ็บปวดมากแล้วก็วันหนึ่งได้ยินเสียงคนมาเรียกไปไป ไปหายมประบาล <American> ด้วยกันได้แล้วเราเห็นจิตมันออกกรกจายนะไปเลยมืดมืดมืดไปเรยแกก็ไม่กลัวนี่ลูกศิษย์หลวงพ่อประโมทเอาละว่าจะไปเจอยมประบาลก็ดูจิตมันไปด้วยสิไม่กลัวนะปรากฏว่าไปแล้วสว่างขึ้นเรื่อยๆไปเจอบ้านสวยสวยงามงามอะไรเงี้ยแกก็ดูของแกนะแกก็ไม่หลงสวยงามอีกนดูไปดูไปเนี huh. ่ยเที่ยวไปที่โน้นที่นี่กลับมาที่เก่า ทำไมเข้านารกไม่ได้เพรามีสติอยู่จำไม่นะพวกเราฝึกสตินะถ้าเรามีสติอยู่ไม่ตกนรกหรอกถ้าเราขาดสติก็ตกนรกง่ายนะใครฝึกของเราไว้นะฝึกไปเรื่อยหลวงพ่อมีสิ่งไหนเพิ่มเติมให้ด้วยครับฮะมีสิ่งไหนเพิ่มเติมให้ด้วยครับทําทําให้พอนะอยังทําไม่พอนะเราต้องเข้มแข็งกว่านี้เลยอย่าให้ใจอ่อนแอนะใจยังอ่อนแออยู่รู้สึกไหม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 ยถาวาริวหฮาปูราปริป oh ูเรนตีสาครังเอวเมวะอีโตดินนางเกตานางอุปกะปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวาสมิชตุสัพเพปูเรนตูสังกปาจันโทปนรโสยถามณีโชติรโสยะถาสัพพีติโยวิวัชฉันตูสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภา อาภิวาทนาสีลิสนิจังอุทธาปั จ, จายิโนจั ต, ตาโรธรรมาวัันติอายุวันโนสุขังพระลังมีโยเมจีวรมาให้หลายผืนนะเดี๋ยวใครไปบ้านตัดฝักไปหน่อยมมีใครจะไปนะสารดนะเหรอฝักสารุที่นั่นก็ต้องใช้จีวรสี่พัน 4, ชุด ที่วัดก็ส่งเหมือนกัน